บัดนี้จกักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปนัย่แห่งปฏิกูลลปพร ะ, พะคือหมวดของกรรมฐานที่ทรงสอนให้ดูความปฏิกูลแห่งร่างกายของตนโดยแยกร่างกายออกเป็นส่วนๆถึงสามสิบสองส่วนด้วยกัน ซึ่งมีนัยยะดังที่ได้กล่าวมแล้วนั้นในชั้นของการกําหนดพินิษฐ์พิจารณาตอนแรกก็คือเรื่องการนําข้อความเหล่านั้นมาสาธยายหรือมาท่องในลักษณะที่สาธยายกลับไปกลับมาหลายครั้งซึ่งอาจจะเป็นร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งก็ได้เพื่อดึงความคิด ใจิตใจของตนให้สงบอยู่กับเรื่องเหล่านั้นในชั้นต่อไปก็คือการยกเอาส่วนแต่และส่วนขึ้นมาพินิษพิจารณาซึ่งตามปกติแล้วก็จะพบว่าอาการทั้ง32ส่วนนั้นปรากฏแก่สายตาของบุคคลอยู่เพียง5ส่วนคือผมขนแล็บฟันหนัง นอกจากนั้นก็เป็นสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในภายในที่ถูกขอคุ้มไว้ด้วยหนังการกำหนดพินิษพิจารณาบางครั้งจึงเป็นเรื่องของมนสิการคือการทำไว้ในใจโดยอาศัยสัญญาคือความจำหมายในอดีตจากที่ได้เห็น เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในอกระดูกม้ามหัวใจตับตังผื่นไตปอดเป็นต้นมาในการก่อนแล้วน้อมเอารูปลักษณะของสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาพินิจพิจารณาดังนั้นในชั้นนี้จึงจําเป็นจะต้องอาศัยหลักของปริยัติคือความรอบรู้ในลักษณะในสีในสันฐานของสิ่งเหล่านั้นเป็นปัจจัยเข้ามาสนับสนุน ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นมาแสดงไว้เช่นที่พิพิธภัณฑ์กรรมฐานในตึกพป ร, ร <c oughs> ก็ได้นำส่วนทั้ง32ส่วนมาไปเพื่อให้บุคคลที่ไม่สามารถมานักสิการได้ <c oughs> ก็มามองดูส่วนต่างๆเหล่านั้นที่ทันแยกออก ไว้ในแต่และส่วนทำหนองเดียวกับการเทของซึ่งอยู่ในถุงหรือในถ่ายเดียวกันในหลายอย่างเทออกมาในตอนแรกคนก็แยกได้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งนั้นถึงนั้นเป็นสิ่งนั้นเสร็จแล้วก็นำมาแยกกองเอาไว้เป็นส่วนๆมากาหนดดูในแต่และส่วนที่ได้แยกออกมานั้น ซึงก็เป็นอุบายวิธีที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นถึงความจริงในสิ่งเหล่านั้นได้รวดเร็วขึ้นอย่างไรก็ตามเมื่อมีสิ่งซึ่งปรากฏอยู่ภายนอกถึงห้าอย่างก็พร้อมที่จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยในการก่อให้เกิดความสงบและความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาได้ดังนั้น การพินิษ์พิจารณาท่านจึงแบ่งเอาไว้ในขั้นต่อมาว่าเป็นการกําหนดด้วยใจคือการสาธยายอยู่ภายในใจไม่ได้เปล่งเป็นเสียงออกมาจนได้ยินแต่กําหนดสาธยายไปโดยลําดับในการสาธยายหรือกําหนดภายในใจหรือแม้แต่สาธยายที่กล่าวแล้วก็ตาม ท่านสอนไม่ให้ทำเร็วเกินไปเพราะบางครั้งใจกำหนดไม่ทันและลึกตามไม่ทันมองเห็นภาพของสิ่งเหล่านั้นไม่ชัดแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ควรให้ช้าเกินไปเพราะบางครั้งบางคราวสติอาจจะเกิดหลงลืมกำหนดข้อความต่อไปไม่ได้ ตอนนี้ทำนองเดียวกับการสวดการสาธยายในเรื่องอื่นๆเช่ น, นเจริญพระพุทธคุณเป็นต้นถ้าหากว่าทำกาหนดเร็วเกินไปหรือสวดเร็วเกินไปนอกจากข้อความที่เปล่งออกมาจะฟังไม่ชัดแล้วบางทีใจของบุคคลก็กำหนดเรื่องไม่ทันด้วยแต่ถ้าช้าเกินไปบทที่ยังไม่ได้สวดอาจจะหลงลืมไปได้ จะเกิดพลังเผือไปได้ท่านชายคําบาลีว่าอย่าให้เร็วนักย้ายเงื่อนนักคือก็อย่าให้ ช, าช้าเจยนั่นเองการสาธยายภายในใจก็มีลักษณะเช่นเดียวกับที่ว่าไปแล้วเป็นการตั้งใจกําหนดระลึกอยู่ในอาการทั้ง32นั้นเป็นการสาธยายในรูปกําหนดสาธยายในรูปกลับไปกลับมา เช่นเดียวกันเกื่อใจของบุคคลอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่พลากไปจากอาการทั้ง32นั้นหรือแม้จำอาการทั้ง32ไม่ได้เรากำหนดเฉพาะ5ส่วนอย่างที่ว่ามาแล้วคือผมขนเล็บฝันหนังก็ได้ประการต่อไปนั้นให้ดูโดยลักษณะของสิ่งนั้นๆอย่าลืมว่าการกำหนด พิจารณาอาการทั้ง32ให้เห็นโดยความเป็นของปฏิกูลนั้นจุดหมายจริงๆก็เพื่อสำรอกราคะความกำหนัดจินดีความหลงรักหลงเพลิดเพลินในกายตนเป็นเบื้องตน้นซึ่งพร้อมที่จะกระจายตัวเองออกไปในกายของบุคคลอื่นการกำหนดดูลักษณะของสิ่งเหล่านั้นบางครั้งก็อาจจะทำอย่างที่ พระอัมพปาลีเทรีซึ่งเป็นหญิงงามในกรุงพัยสาลีในสมัยพุท ธ, ธกาลท่นานใช้คำว่าผู้หญิงที่ประดับเมืองหรือทำเมืองงดงามต่อมาท่านได้ออกบดในพระพุทธศาสนาหลังพุทธปณิพาน์ของพระพุทธเจ้าเมื่อบรรลุมรคผลแล้วท่านก็กำหนด เอาส่วนต่างๆจากแต่ศีรษะลงมาโดยนำมาเปรียบเทียบระหว่างปัจจุบันคือที่กำลังไปเชิญอยู่ในวัยที่ท่านแก่เท่าลงกับดึงเอาสัญญาในอดีตคือความสวยงามของอวัยวะเหล่านั้นที่กำหนดหมายกันในสมัยที่ท่านยังสาวอยู่จนยกเอาผมขึ้นมาพินิษพิจารณา ก็มองเห็นถึงความแตกต่างความเปลี่ยนแปลงของผมบนศรีรษะท่านก็สมัยที่ยังสาวนั้นก็มีลักษณะสวยงามแต่พอมาถึงปัจจุบันกลับเปลี่ยนแปลงไปมีลักษณะเหมือนกับเกลียวเชือกแล้วก็ยกอวัยวะแต่ละส่วนขึ้นมาเปรียบเทียบเช่นนี้โดยลําดับเปรียบเทียบเสร็จในแต่ละข้อ ทัานก็เปล่งวาจาแสดงถึงสุกโสมนัตและความศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธวจนะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าล้วนเป็นความจริงความแท้ไม่แปรผันทรงแสดงไว้อย่างไรสิ่งนั้นก็เป็นอย่างนั้นเมื่อลวงการผ่านไปแล้วความเปลี่ยนแปลงยิ่งเห็นได้ชัดขึ้น การมองเห็นในรูปของอารมณ์กรรมฐานก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นการดูโดยลักษณะนั้นต้องมองย้อนไปถึงจุดของความยึดถือคือการกำหนดหมายว่าสวยงามของบุคคลในสิ่งในวัตถุในกายตนในกายบุคคลอื่นนั้นจะมีการกำหนดอยู่สองลักษณะลักษณะแรกเรียกว่าถือโดยนิมิต คือกำหนดการเป็นชิ้นเป็นอันเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นตนไปเลยว่าสิ่งนั้นสวยนั้นงามน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเมื่อนำเรื่องเหล่านั้นนำอารมณ์เหล่านั้นเข้ามาปรุงคิดเข้ามาคิดปรุงปริมาณของความกำหนัดความพอใจก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นทำให้ละเลยจุดบกพร่องต่าง ความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลต่างๆจนในที่สุดจิตถูกครอบงาด้วยความกำหนดในวัตถุในอารมณ์นั้นๆ <Okay. S 1> การถือในแนวนี้ท่านเรียกว่าถือโดยนิมิตคือเอากันเป็นชิ้นเป็นอั น, นแต่แนวหนึ่งนั้นไม่ได้กําหนดเอาไปเป็นชิ้นเป็นอันแต่กําหนดเป็นส่วนๆลงไป ที่ท่านเรียกว่าถือโดยอนุพยัญชนะกื อ, อาจจะไปกาหนดหมายในแต่ละสัดส่วนของร่างกายตนและกายบุคคลอื่นเช่นว่าคนนี้ผมงามคนนี้ตางามคนนี้ฟันงามเป็นต้นหรือคนนี้ผิวงามเป็นการกำหนดเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนในสิ่งเหล่านั้นเพราะการเจริญกรรมาฐานจึงมีลักษณะของการเอาน้าบ่งน้า ใจเคยกำหนดแล้วก็ให้เกิดราคะความกำหนัดตัณหาความทะยานอยากจนกลายเป็นเครื่องผูกพันใจในอารมณ์เหล่านั้นด้วยลักษณะอย่างไรเวลาจะถ่ายถอนก็ทรงใช้วิธีถ่ายถอนโดยในยะเดียวกันเมื่อมีการรวบถือว่าสวยว่างามก็สอนกรรมฐานในลักษณะรวบถือ เมื่อแยกถือว่าสวยว่างามก็สอนกรรมฐานในลักษณะแยกถือโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะถอนลูกสอนคือราคะความกำหนัดเป็นต้นอย่างน้อยที่สุดก็บรรเทาความเสียดแทงอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลเหล่านั้นแนวของปฏิกูลปภะพะจึงเป็นแนวถอนหนามหรือบ่ง้นามในลักษณะอารมณ์ ที่ไปกำหนดส่วนแต่ละส่วนของร่างกายเป็นต้นโดยแยกออกมาให้เห็นตำนองการพลิกด้านหนึ่งของเหรียญขึ้นมาโดเพราะการมองในแง่ของโลกียรอารม์หรืออารมณ์แบบโลกโลกนั้นจะเป็นการมองตามสิ่งที่ปรากฏตามสิ่งที่ปรุงแต่งและตามสิ่งที่กำหนดหมายกัน ซึ่งบางครั้งบางคราวก็เป็นการหลอกตัวเองหรือเป็นการสมมติขึ้นม า, ามซ้ำซ้อนทับกันไปในสิ่งเดียวกันอย่างเช่นอาจจะกำหนดว่าหอมอาจจะกำหนดว่าสวยหลังจากได้ตกแต่งประดับประดาด้วยอาพรด้วยเครื่องหอมเป็นต้นแล้วก็บอกว่าหอมว่าสวยซึ่งเป็นการหลอกตัวเองซ้ำซ้อนลงไปเพราะจริงสิสิ่งที่สวยนั้นก็ไม่ใช่กายสิ่งที่หอมนั้นก็ไม่ใช่กาย แต่เพราะอาศัยความปรุงขึ้นแล้วก็หลอกตัวเองด้วยกําลังของโมหะก็พร้อมที่จะยอมรับนับถือกันในระดับหนึ่งในชั้นหนึ่งซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ก็มีความเจริญก้าวหน้าแพร่หลายกันอันหมายความว่าคนเราพร้อมที่จะหลอกทั้งตนเองแล้วก็พร้อมที่จะหลอกบุคคลอื่นแล้วก็พร้อมที่จะเพลิดเพลินอยู่ในความหลอกลวงเหล่านั้น ดังนั้นบางครั้งบางคราวพระผู้มีพระภาคเจา้าจึงทรงแสดงในลักษณะที่เชิญชวนให้คนทั้งหลายมาเพ่งพีนิดถึงความจริงว่าโลกเหล่านี้ถูกความมืดคือมูะคุ้มหอเอาไว้ทำให้บุคคลไม่มีปัญญาเห็นปรากฏคือเห็นชัดเจนในเรื่องนั้นๆตามความเป็นจริง เหมือนอะไรเหมือนกับการมองสิ่งต่างๆในที่มืดไม่ว่าจะมองอะไรก็ตามก็ไม่สามารถที่จะเห็นถึงสภาพที่แท้จริงของสิ่งเหล่านั้นและได้ทรงรับสั่งกระตุกให้บุคคลเกิดความสานึกหรือความคิดหรืออย่างน้อยก็หยุดคิดว่าท่านทั้งหลายในเมื่อถูกไฟคือกิเลสเผาลนอยู่ ถูกแรงผลักดันของราคะโทสะโมหะเขาล่นอยู่เช่นนี้ทำไมจึงไม่สแสวงหาอาชีพเป็นเครื่องส่องทางดำเนินชีวิตได้ดังนั้นการสอนให้พินิพจนาในส่วนของปฏิกูลปภ ะ, ปะคือดูอาการทั้ง32แห่งกายตนเป็นเบื้องตน้นก็มีลักษณะเช่นนั้น เพื่อบันเทาความมืดปอดด้วยอำนาจของโมหะความหลงเรื่องวิชาความไม่รู้และเมื่อได้บันเทาส่วนนี้ลงไปกิเลสประเภทราคะก็ชื่อว่าได้ถูกบันเทาตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วบรรดากิเลสทั้งหลายที่เป็นเหตุให้กาหนดหมายในอารมณ์ต่างๆซึ่งสรุปรวมเรียกในกรณีนี้ว่ากิเลสกะ กิเลสเป็นเหตุให้คล้ายนั้นแท้จริงแล้วแกมีรากมาจากแหล่งเดียวกันคือวิชาความไม่รู้หรือรู้ไม่จริงดังนั้นเมื่อบุคคลไปตัดรอนส่วนที่เป็นรากไอ้ส่วนที่เป็นกิ่งก็ชื่อว่าถูกตัดรอนตามไปด้วยไม่สามารถจเจริญเติบโตขึ้นมาได้การแก้ปัญหาต่างๆในด้านจิตใจ จึงทรงแสดงไว้โดยอเนกกระยายแต่ว่ามีจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันสอนให้ละให้บรรเทาให้ระ ง, งับดับกิเลสส่วนใดส่วนหนึ่งแม้จะดับในส่วนอื่นอีกส่วนหนึ่งซึ่งว่าที่จริงก็เกี่ยวเนื่องกันยอ่ยอมสงบย่อมสงบระงับดับบรรเทาลงไปได้ยกตัวอย่างในกรณีของความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลายนั้นโดยเฉพาะคือในกรณีนี้ได้แก่ ในรูปร่างกายนั้นถ้าหากว่าบุคคลสามารถบรรเทาได้ในส่วนนี้ความหลงก็ชื่อว่าบรรเทาหลงความโกรธความคับแค้นความโศกความเสียใจเวลาประสบกับส่วนที่ไม่น่าปรารถนาก็ชื่อว่าบรรเทาตามลงไปด้วยเป็นการบรรเทาในจุดใดจุดหนึ่ง แต่พอจุดหนึ่งบันเทาจุดอื่นก็ชื่อว่าบันเทาตามไปการกำหนดพินิษพิจารณาจึงต้องอาศัยความสงบเป็นพื้นฐานของใจตามแนวของกรรมฐานทั้งหลายเมื่อพิจารณาโดยมณฑสิการภายในใจโดยดูในลักษณะของสิ่งเหล่านั้นแล้วถ้าให้ดูที่สันฐานคือรูปร่างของสิ่งต่างๆ อาจจะยกผมขึ้นมาดูทีละเส้นหรือว่าดูทั้งหมดดูถึงสันฐานของรูปร่างของผมว่าเป็นอย่างไรบุคคลก็จะมองเห็นความจริงในส่วนนั้นว่าที่จริงแล้วผมก็ประกอบด้วยส่วนย่อยต่างๆที่มาเกาะกลุ่มกันกำหนดขึ้นมาเป็นเส้นผมตัวเส้นผมเองก็ เป็นสิ่งที่ปฏิกูลโดยสภาพของมันคนที่มีเส้นผมอยู่จะต้องมีการบำบัดมีการกระจัดมีการบำรุงรักษามีการปรุงแต่งกันด้วยประการต่างๆการที่จะต้องทำเช่นนี้เพื่ออะไรเพื่อจะหลอกใจตัวเองว่าสวยงามนั้นประการหนึ่งเป็นแรงผลักดันของโมหะแต่ในกรณีหนึ่งนั้น เป็นการกรบเกลื่อนเป็นการปกปิดความปฏิกูลของสิ่งเหล่านั้นให้บรรเทาประบางลงไปเพื่อสามารถหลอกใจตัวเองได้และหลอกคนอื่นได้ว่าเป็นความสวยงามเป็นสิ่งน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจแม้พวกขนซึ่งปรากฏอยู่ทั่วสรตว์พังกายของบุคคลก็าตามเว้นเฉพาะฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็มีขนอยู่เป็นอันมาก สิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะโดยที่เกิดโดยที่อยู่หรือว่าโดยรูปร่างทั้งานก็ล้วนแล้วแต่ไม่สวยไม่งามแต่ประการใดในการพิจารณาในลักษณะนี้บุคคลจะเห็นได้ว่าการต่อต้านทางใจจะมีสูงมากเป็นพิเศษท่นนี้เป็นเพราะอะไรพระวัิโดยปกติแล้วก็กําหนดกันว่าสวยงามอยู่สม่ำเสมอ เวลาที่ใจไปกำหนดว่าสวยงามมากกว่ามากแต่การที่จะสงบความคิดหยุดคิดหยุดพิจารณานั้นมีโอกาสน้อยดังนั้นกำลังที่มีอยู่ภายในใจยึงเป็นกำลังฝ่ายกิเลสมากกว่าฝ่ายของธรรมะพอเริ่มพิจารณาเข้าจิตก็จะมีลักษณะเหมือนกับชักกระเยอะ หรืเป็นการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเหตุผลความดีและฝ่ายของอกุศลนั้นต่างฝ่ายต่างก็พยายามที่จะ ช, ชักดึงอีกให้ไปสู่อำนาจของตนดังที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้ว่าการยกจิตขึ้นไปจากอารมณ์ที่จิตมีความเคยชินมีความเสพคุ้นมีความอาลัยมีความสยบติดอยู่นั้น จิตจะต้องดิ้นกลับไปมันเหมือนกับการที่บุคคลจับปลาขึ้นมาจากน้าโดยปกติแล้วปลาก็เกิดอยู่ในน้ำจะ เ, เติบโตอยู่ในน้ำมีความอาลัยมีความสยบติดอยู่ในน้ำและชีวิตของปลาก็ผูกพันอยู่กับน้ำเม่อยกแกขึ้นมาจากน้ำ <c oughs> แกก็ต้องดิ้นเพื่อจะกลับไปสู่น้ำอีก จิตใจของบุคคลที่ยกขึ้นมาจากอะไรหรือ <c oughs> หรือเพี่ยนพยายามที่จะลกยกขึ้นมาจากอะไรคือกามคุณก็จะมีลักษณะอย่างนั้นการต่อสู้ในแนวนี้จึงทำให้เกิดแห่งไปแหว่งมาของจิตบางครั้งก็มองอะไรไม่เห็นตามที่ท่านให้มานะสิการในกรณีนี้จำเป็นจะต้องอาศาาัยการวิเคราะห์จิต มองจิตตามความเป็นจริงว่าในเมื่อการกําหนดหมายว่าสวยงามน่าใครน่าปรารถนาน่าพอใจมีมากกว่าการที่จะเกิดเห็นตามคล้อยตามสัจจะความจริงที่ทรงแสดงไว้ก็จําเป็นที่จะต้องเพิ่มปัญญาพินิจพิจารณาเห็นความเบติกูลของสิ่งเหล่านั้นในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน แต่การจะเห็นประจักษ์ชัดนั้นความรู้เห็นถึงความจริงในความปฏิกูลแห่งสิ่งที่ท่านเรียกว่าโกฎถาดคือส่วนต่างๆของร่างกายจะต้องมีปริมาณท่วมทับอารมณ์ซึ่งเก็บไปเป็นนั้นมากที่กำหนดว่าน่าใคราน่าปรารถนาน่าพอใจนั้นถ้าว่าพิจารณาไม่เห็นในส่วนเหล่านี้ ในส่วนของผมของฟันหรื อ, อรูปร่างของสิ่งเหล่านั้นดูแล้วไม่เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรอย่างที่เคยสอบถามท่านผู้ที่เป็นแพทย์ที่ทำงานในด้านจำแหล่สิ่งเหล่านั้นว่าน่าจะมองเห็นถึงความปฏิกูลของสิ่งเหล่านั้นแต่ท่านบอกว่ามองไม่เห็นเพราะมองเป็นแง่ของวิชาการมองในลักษณะของงาน ก็เห็นว่าเป็นสิ่งสะอาดเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรทั้งหมดในเรื่องนี้ก็อยู่ที่มานสิกา่าเราจะมานสิการกันแนวไหนแต่มานัสิการในแนวของวิชาการก็เป็นวิชาการมานสิการในรูปของกรรมฐานก็เป็นเรื่องของกรรมฐานไปในสิ่งเดียวกันในอารมณ์เดียวกันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้สิ่งเหล่านั้นไปเพื่อประโยชน์อย่างไร ก็าสามารถที่จะแสบาหาประโยชน์จากส่วนเหล่านั้นได้จากสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นเพื่อให้มีความรู้สึกคล้อยตามเห็นตามอย่างที่ทรงแสดงเอาไว้ท่านจึงสอนให้พิจารณาเมื่อดูในในด้านมนติการก็แล้วดูในลักษณะก็แล้วดูในสันฐานก็แล้วก็ดูในที่เกิดที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้น ว่าสิ่งทั้งหมดเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีลักษณะที่ชุ่มช่ากันอยู่ในปุโพโลหิตเลือดน้องต่างๆเป็นนั้นมากมีการหล่อเลี้ยงกันอยู่ยิ่งข้างในด้วยแล้วก็จะมองเห็นคล้ายๆกับว่าบุคคลเอปาปลาไหลมาตัดหัวตัดทางแล้วก็ใส่ไว้ในภาชนะมันก็ดิ้นไป พร้อมด้วยท้ำกลางกองเลือดเป็นนั้นมากแล้วก็ดิ้นหมุนวนกันอยู่อย่างนั้นร่างกายของเราก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการชุ่มแช่ยอยู่ด้วยสิ่งปฏิกูลมีประการต่างๆแล้วความปฏิกูลที่ส่วนเหล่านั้นไปชุ่มแช่ยอยู่นอกจากว่าสิ่งละสิ่งที่ไปชุ่มแช่ยอยู่จะปฏิกูลแล้วตัวของเขาเองก็เป็นของปฏิกูลด้วย ก็ดูไปแต่ละส่วนแต่ละส่วนอย่างนี้ถ้ายังไม่เห็นท่านก็พิจารณาถึงกลิ่นคือเพิ่มประสาทสัมผัสขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งคือดูด้วยตาแล้วก็สูดด้วยจมูกโดยอาศัยใจไปกําหนดไปมานาสิกานทังส่วนเหล่านั้นการกําหนดการพิจารณาจึงเป็นการค่อยๆพิจารณาไป จะเห็นหรือไม่เห็นในระยะใกล้ๆจะเป็นการเสริมสร้างความสงบความรู้ซึ่งค่อยๆก่อตัวขึ้นก่อตัวขึ้นโดยลําดับแต่กรรมฐานในส่วนนี้พึงเข้าใจว่าไม่ใช่สอนให้ชิงช่างร่างกายแต่สอนให้ยอมรับถึงความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดา การกำหนดมนติการจึงให้กำหนดในรูปของความปฏิกูลโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นโดยที่เกิดโดยที่อยู่ของสิ่งเหล่านั้นให้เห็นเพื่อสำรอกราคะไม่ใช่ก่อให้เกิดปฏิฆะหรือชิงชังร่างกายการเจริญกรรมฐ า, านในแนวนี้บางครั้งจึงมีปัญหา แม้ในสมัยพุทธกาลเองภิกษุกลุ่มหนึ่งมานสิการกรรมฐานแนวนี้แต่จเจริญไปแล้วท่านเกลียดชังร่างกายมองร่างกายตัวเองคล้ายๆเอาซากศพมาแขวนไว้จะแตะต้องส่วนใดก็ล้วนแล้วแต่หน้าขยะขยังไปทั้งหมดเความจริงชังที่เกิดขึ้นความเหนื่อยหน่ายความระอาความเกลียดจนกลายเป็นความเกลียดกลัว ต้องการจะนหนีร่างกายตัวเองให้พ้นไปแั้วในที่สุด ก, ก็ฆ่าตัวเองกันตายมากมายบางองค์ใจไม่กล้าพอก็จ้างคนอื่นก็ให้ฆ่าจนมีคนคนหนึ่งรับจ้างฆ่าพระโดยเอาค่าจ้างเป็นพวกจีวรเป็นบาทเป็นเครื่องใช้ของท่านที่มีอยู่กว่าพระพุทธเจ้าจะเสด็จกลับจากที่เรนปรากฏว่าพระตายกันไปมาก กรรมฐานข้อนี้จึงเหมาะสมรับคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคนที่มีความกำหนัดกล้าในอารมณ์ทั้งหลายมองอะไรสวยงามไปหมดดีไปหมดใจก็จะสายไปเรื่อยๆและในที่สุดก็สูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไม่มีอิสระจะถูกพันธนาการด้วยอารมณ์เหล่านั้น การกำหนดพินิษพิจารณาบางครั้งจึงไม่ถึงกับต้องบรรลุมักผลไปเลยแต่เรื่องของการบันเทาเรื่องของการสำรวมระวังอินทรีย์ที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความสงบจิตในชีวิตประจำวันนั้นจะเกิดขึ้นเพราะถ้าใจไม่ไปกำหนดสวยงามอะไรมากเกินไป ก็ไม่อยากดูอยากฟังอยากลิ้มอยากชิมอยากถูกต้องมากมากินเกินไปปรเทาปัญหาในส่วนนี้ลงไปได้เป็นอันมากถ้าหากว่าเห็นชัดเจนขึ้นไปยิ่งกว่านั้นความเพลิดเพลินระงระเ ร, งเริงหลงในกายตนและกายบุคคลอื่นก็จะเบาลงไปอย่างน้อยที่สุดการใช้เวลาที่ต้องสูญเสียไปด้วยประดับประดาตกแต่งร่างกายเป็นเวลานา น, านๆก็จะลดลง มีความรู้สึกแต่พยายามให้เกิดความสะอาดขึ้นแก่ร่างกายเท่านั้นมีความสะอาดเรียบร้อยก็เหมาะก็ควรนะเวลาส่วนนั้นก็อาจจะใช้ไปในเรื่องที่เป็นประโยชน์มากกว่าการลุ่มหลงการมัวเมาการสยบติดจุดในกายและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือว่ากระแสะความปรารถนาที่เกิดขึ้นภายในใจซึ่งอาศัยแรงผลักดันของกิเลสสายโลภะ ที่บังคับใจให้สายไปในอารมณ์ก็จะค่อยๆส ง, งบลงซึ่งเป็นผลที่บุคคลสามารถสัมผัสได้ในปัจจุบันชั้นหนึ่งแต่จุดปุ่งหมายนั้นก็เป็นจุดปร่งหมายเช่นเดียวกับกรรมฐานข้ออื่นต่อจนี้ไปขอให้ตั้งใจทำความส ง, งบสืบต่อไป